ลุงคิดว่าพระภิกษุรูปนั้นน่ะคงไม่ใช่เรวัตตะหรอกใช่จ้หลุงเขาเรวัตตะแน่ๆหลานจำเขาได้ไม่ผิดหรอกถ้าเขาใช่เรวัตตะทำไมเขาเฉยเมยกระหลานอย่างนี้ล่ะเขาควรดีใจที่ได้พบเธอควรพูดจากับเธอดีๆ ไม่ใช่ผลักสัยไร่ทรงยังไม่อะไรใหญดีเช่นนี้เชื่อลุงเถรัตตานน้เขาไม่ใช่เรวัตตะรอกลุงคะพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเรวัตตะลีลาวดีจำได้ดีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตากริยาท่าทาง สำเนียงคำพูดด้วยแม้แต่จิตใจก็อบอกชัดว่าเป็นเรวัตะาแน่ใจนะรัตปานีไม่มีข้อสงสัย ใ, ใดๆเลย <c oughs> ลุงเห็นอย่างนี้แล้วไม่อยากเชื่อเชื่อเธอเจ้าจลุงเขาเรวตะแน่ๆคนเราอาจจะเหมือนกันก็ได้นะรัตปานีในเราดีไม่เทียงหรืเรจ้าลุง คนเราอาจจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วท่านกายวาจาใจายอย่างนี้เอาละหลานเ ล, ลยเมื่อเราไม่สามารถทราบความจริงได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรู้ตอนไหนนะเจ้าลุงเราต้องพิสูจน์ พิสูจน์ล้เจ้าลุงถูกแล้วมองไม่เห็นทางอื่นที่จะรู้ความจริงนอกจากจะพิสูจน์อย่างเดียวลุงท่านจะพิสูจน์ยังไงเราต้องเดินทางไปกรุงราชครืไปที่นั้นทำไมลุงท่านไปถามที่พระเวรุวันณารามถ้าเราได้พบพระเลวัตตที่นั่นก็แสดงว่าพระพิสูก ร, รูปนั้นไม่ใช่เลวัตตะ แต่ถ้าเราได้ทราบว่าพระเลวตะไม่อยู่ที่พระเวลุวานารามและมีคนบอกกับเราว่าพระเลวตะเดินทางไปยังกรุงพารานสีแล้วพระภิกษุรูปนั้นอาจจะเป็นพระเลวตะก็ได้เหมือนกันอ้าวสายหน้าทําไมไม่เห็นด้วยกับลุงอย่างนั้นเหรอลุงท่านอาจจะเห็นว่า ลีลาวดีเป็นเด็กดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แตลีลาวดีก็เชื่อมั่นจริ ง, รงๆว่าพระพิกษุรูปนั้นคือเรวัตะทำไมถึงได้มั่นใจอย่างนั้นล่ะมีอะไรหลายๆอย่างทําให้ลีลาวดีเชื่อและมั่นใจจ้าลุงแล้วเรื่องที่เราจะไปพิสูจน์ที่กรุงราชสครึก่ะจะว่าอย่างไงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปกรุงราชครึ๊ ไม่มีประโยชน์ยังไงรัตตา น, นีเมื่อเราไปถึงเราเวรุวานารามกรุงราชคฤห์คนก็จะบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่าพระเวรวาตไม่อยู่ออกจากกรุงราชคฤห์ไปแล้วก็เถอะคาดการร่วงหน้าเอาเองรู้ได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์เชื่อลุงเถอะเราออกเดินทางไปราชคฤห์ด้วยกันดีกว่าลีลาวดีไม่ไป รัฐบาลนี่นี่พูดอย่างนี้นะ่ะคิดดีแล้วเหรอรังคิดดีแล้วและเชื่อว่าถูกต้องแล้วด้วยจะถูกต้องได้ยังไงก็นี่เมื่อเรายังไม่รู้เพียงแต่ดาวเอาเท่านั้นนี่นี่ไม่ใช่การเดาวแนะ่ลุงท่านแต่จากเหตุผลควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จะยังไงก็ตามลุงเห็นว่าลานโขลนไปไม่มีประโยชน์ดอกลุงท่านดือรันเป็นที่สุดเลยนะเรา ลุงท่านเกิดลีลาวดีลุงไม่โกรธับแต่ลุงไม่พอใจนั่นมันก็ไม่อยู่บ้างเพราะ้านไม่ยอมเชื่อลุงในเมื่อลุงทําเช่นนี้ก็เพราะปรารถนาดีต่อร้านร้านเข้าใจและขอขอบคุณนั่นไม่ใช่สิ่งที่ลุงพอใจลุงอยากให้ร้านเชื่อลุงมากกว่าเชื่อลุงเถอะไปกับลุงไม่มีประโยชน์แล้วไปทําไมแล้วลุง สี่เวลาเปล่าดื้อจริง ๆ, ๆรัตตปาในคนนี้ดื้อร้านจนไม่พอใจนิจารัตปานีไม่ไปจริงๆแผนการที่จะนำไปพบ ก, กับพระเลวตะก็ล้มเหลวหมดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพวกนิครนว่าจะกำจัดพระเลวตะโดยอุบายอันแยบคายก็จะไร้ความหมายอีกประการหนึ่ง ขบวนเกวียนจำนวนรอยบรรทุกสินค้าเต็มอัตราชก็จะต้องเดินทางกลับพาราณสีเสียหายไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ตปาในหลานจะไม่เชื่อที่ลุงขอร้องเลยเหรออย่างอื่นหลานเชื่อแต่เรื่องนี้หลานขอเธอนะ่ะยังเด็กมากนะักขาดทั้งความรู้และประสบการณ์แห่งชีวิตและวิจารณญาณสิ่งเดียวที่เธอมีอยู่ก็คืออารมณ์แต่การทำอะไรตามอารมณ์มักจะลงเอยด้วยความพินาศ ขอให้หลานเชื่อวิจารณญาณาของลุงเธอเดินทางต่อไปยังกรุงราชครึแล้วเราจะได้รู้แน่นอนว่าภิกษุรูปนั้นใช่พระเลวตะของเธอหรือไม่ขอให้เธอคิดดูให้ดีอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเป็นใหญ่เราไม่ได้มากันสองคนแต่มากันเป็นจำนวนร้อย พร้อมด้วยสินค้าราคาประมาณนี้ได้เราเตรียมการมาแล้วเป็นเวลาเดืนเดือนแล้วจะมาเลิกลมซสกลางคันอย่างนี้เธยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมนะเหรอแต่ว่าลุงคะลีลวดีชื่ออย่างนั้นร้านก็เลยจะยืนกรานอยู่อย่างนี้นะ่ะเพาะเป็นความเชื่อมั่นของหลานนี่จะลุงท่านก็เปลี่ยนความคิดนั้นซะสิ ม, มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของลีงลาวดีได้แต่นี่เป็นลุงนะลุงเตือนด้วยความหวังดียังไงก็ควรจะเชื่อลุงบ้างลีงลาวดีตัดสินใจแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนใจไม่ไปกรุงราชครึกแน่นอนถูกแล้วลุงท่านลีลาวดีจะกลับคืนสู่พาราณสีแล้วสินค้าของลุงละ่ะบรรทุกเกวียนมีมาเป็นร้อย ไม่ไปพาราณสีมันจะเสียหายแค่ไหนไม่เสียหายเลยถ้าลุงและกอมเกวียนเดินทางต่อไปยังกรุงราชครึกอ้าวก็แล้วหลานล่ะหลานจะกลับกรุงพาราณสีกลับไปกับใครตามลาพังของหลานเองหลานจะไปได้เหรอหลานไปได้ลุงท่านไม่ต้องเป็นห่วงครั้งนี้นะขอให้หลานเชื่อลุงสักครั้งได้ไหมไปกรุงราชจะครึกกับลุง ลีลาวดีไม่ไปลุงขอร้องลีลาวดีบอกแล้วไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนความตั้งใจของลีลาวดีได้ลุงนํากองเกวียนไปกรุงราชครห์เถอะไม่ต้องเป็นห่วงลีลาวดีหรอกอืมเอาละเรื่องนี้ขอให้ลุงปรึกษากับลูกน้องทั้งหมดดูก่อนว่าจะเอายังไงกันต่อไป ว่ายังไงจะเอายังไงกันดีเออเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายนะควรจะไปกรุงราชคฤห์ตามแผนเดิมนะแล้วร้านของเราล่ะก็ให้เดินทางกลับไปพาราณสีตามติดเธอต้องกันสิระหว่างทางน่ะอันตรายมากปล่อยให้ไปตามลําพังไม่ได้ล็อกไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามลําพังแต่จะมีคนคุ้มครองไปเดือดรสองสาคนก็ได้นี่สองสามคนน่ะเห็นจะไม่พอ เกิดมีอะไรขึ้นคนแค่นั้ น, น่ะคุ้มกันไม่ได้หรอก เ, อเรื่องนี้แก้ไขได้ไม่ยากเลยท่านในกองเกวียนไม่ยากจะแก้ไขยังไงล่ะก็กวียนบรรทุกสินค้านะ่ะมีมาเป็นจำนวนมากคนที่มาด้วยก็นับจํานวนร้อยก็ตัดกวีนออกไปสักสองสามเล่มคนมากพอสมควรให้รัฐปานีไปกับเกวียนนั้นสินค้านอกนั้นก็มุ่งไปกรุงราชกุศจะได้ไม่เกิดการเสียหายกับสินค้าอา้าว ว่าอย่างไรรัตประปาเนยเขาที่คนของลุงแนะนํามานี่ย่ะงานเห็นดีด้วยท่านลุงเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าตกลงตามเลยลุงจะฝากหนังสือไปถึงบิดาของหลานด้วยชี้แจงความจําเป็นที่เกิดขึ้นแล้วหลานก็ช่วยอธิบายอีกด้วยเพื่อว่าบิดาของหลานจะได้ไม่เข้าใจลงผิดคิดว่าลุงทิ้งหลาน ดังนั้นหลุงท่านไม่ต้องห่วงลีลวดีจะอธิบายกับพ่อเองถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวเถอะ ออกจากเกวนที่จะกลับไปภารณสีหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วท่านนายกองเกวียนทั้งหมดกี่เล่มสามเล่มท่านนายกองเกวนอ่าดีแล้วคนที่จะคุ้มครองหลานเราเรียบร้อยเรียบร้อยท่านนายกองเกวียนรักกับปานีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหลานกับลุงต้องแยกทางกันตรงนี้ละนี่ลาบดีขอลาลุงท่านอืม โลกดีนาราช ยังไม่หิวเลยขอบใจนะกินพีละไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่หิวเพรตั้งแต่เอาเดินทางมาดูเหมือนเธอยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยทางที่คนอื่นเขากินกันอิ่มหมีพรีมันเธอทนอยู่ได้ยังไงพี่ไม่เข้าใจไม่ใช่ทนอยากเข้าใจผิดดิลาวะดีไม่หิวจริงๆเชื่อฉันเถอะกินพี่ละฉันไม่โกหกหรอกในฐานะที่เราเป็นญาติกัน และกินพิละมีศัพเป็นพี่เลยทำให้อดเป็นห่วงเธอไม่ได้และอีย่างหนึง่งหัวนหน้ากองเกวียนมอบหมายให้พี่เป็นหัวนหน้าคุ้มกัรเธอกลับบ้านถ้าเกิดเธอไปอะไรไประหว่างทางพี่จะมีโทษผิดหนักทีเดียวถามปล่อยประละเลยที่ว่าจะเป็นอะไรนั้นหมายถึงอะไรก็อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่ยก็ได้ข้อนั้นอย่า ก, กังวลเลยคงไม่เป็นอย่างที่เธอคิดหรอก ก็ลลาวดีไม่ได้ฝืนทนหิวและอีกอย่างหนึง่งก็ไม่ได้ร้องไห้คํำควรเหมือนแต่แรกไม่ได้ร้องไห้คํำควรก็จริงแต่การอย่างอื่นที่เข้ามาแทนที่ดูเหมือนจะหนักกว่าเก่าซะอีกนะลลาวดีทำอะไรเธอจึงว่าหนักกว่าเก่าหลังจากหยุดร้องไห้ขำควรแล้วเธอก็เงียบขึมไม่พูดจากับใครตอนแรกเพียงพอได้ยินเสียงบ้าง ถึงแม้จะเป็นเสียงร้องไห้ข่ามคนก็เถอะยังดีกงเงียบไปหมดเหมือนกับว่าไม่มีรัตปานีร่วมอยู่ในกองเปียนบอกตามตรงพี่ทงสารเธอมากขอบใจในความห่วงใยของกิมพิลาแต่อย่าได้ห่วงใยไปเลยลิลาวดีไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ไม่สบายใจนิดหน่อยและไม่อยากพูดคุยกับใครต้องขอโทษด้วยนะที่ทาให้เธอไม่สบายใจ ว่าเกิดนิเยนมากแล้วเราจะหยุดพักกันที่ไหนอีกไม่ไกลกคจถึงหมู่บ้านเราจะหยุดเกวีนพักกันที่นั่นถือว่าดีไหมแล้วแต่เธอสิกินพิระตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าควบคุมเกวีนจะทําอะไรก็ได้ไม่ดีหรอกรเผด็การเกินไปต้องถามความคิดเห็นกันก่อนกินพิละข้างหน้าเป็นหมู่บ้านแวะก็ไปคืนนี้เราจะพักอยู่ที่นั่นาจะปฏิบัติตามเดี๋ยวนี้ นะรัะตะปานีไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องอันตรายพี่สั่งคนคอยดูแลคุ้มกันไปอย่างดีแล้วขอบใจเธอมากกินพี่ละเธอช่งดีต่อฉันมากเราเป็นพี่น้องกันและพี่ก็ได้รับมอบหมายให้คอยดูแลความปลอดภัยข้อที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่สงสารเห็นใจเธอมากรัะตะปานีสงสารเห็นใจลีลาวดีเรื่องอะไรเรื่องความรักความรักถูกแล้ว ความรักอันแสนจะระทมขมขืนดูแล้วมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าความรักของเธอจะลงเออในรูปใดนั่นสินะลีลาวดีก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนมันมืดมนซะเหลือเกินรัตปานีมีอะไรอยากพูดก็พูดไปพี่ยังไม่เคยรักใครและยังไม่รู้ว่าความรักมีอํานาจจิ้งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของคนเพียงใดแต่เท่าที่สังเกตดูจากความรักของเธอ ก็พอจะเดาได้ว่าเดาว่าอะไรกินพี่ละความรักของเธอยิ่งใหญ่พอดูเป็นกรณีพิเศษจริงๆเป็นความรักชนิดข้ามภพข้ามชาติเป็นความรักซึ่งไม่เคยได้รับการตอบสนองคนที่เธอรักก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนี้พี่จึงสงสัยว่าเ อ, อ่อกิมพได้สงสัยอะไรสงสัยว่าเธอจะรักไปทำไม ไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุผลเลยรักย่อมไม่มีเหตุผลเธอว่ารักย่อมไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเลยรัตตาปานีถูกล่ะรักย่อมไม่มีเหตุผลตราบใดที่ยังมีเหตุผลตราบนั้นก็ไม่ใช่ความรักถ้าอย่างนั้นเธอจะรักไปทำไม ลีลาวดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักไปทําไมบางทีบางทีอะไรความรักอาจไม่ต้องการคําถามใดๆก็ได้ลีลาวดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจึงต้องรักเรวัตตะแต่จิตใจมันรักเข้าซะแล้วในจิตใจของฉันไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากความรักในเรวัตตะรักของคนอื่นพี่ไม่เห็นเหมือนรักของเธอเลย ไม่เหมือนยังไงกินพี่ละพี่เห็นเขารักกันแล้วก็แต่งงานกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีความสุขกับทั้งนั้นแต่รักของเธอมีแต่ความทุกข์ไม่เห็นมีว่แววของความสุขเลยจริงอย่างที่เธอพูดแต่ก็ไม่แน่นักไม่แน่อะไรในส่วนเรืองของหัวใจฉันรู้สึกมีความสุขอยู่เหมือนกันเธอแต่และมีความสุขถูกะ พี่ไม่เห็นเธอมีความสุขเลยทังนิดเดียวคนอื่นอาจจะไม่เห็นมันเป็นความสุขลึกซึ้งซึ่งฉันเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นความสุขที่ได้รักเขาก็มังพี่ไม่เข้าใจเลยรัตตาปานีความรักของเธอเป็นสิ่งลึกลับเกินกว่าที่พี่จะเข้าใจซะแล้วลีลาวดีเองก็ไม่เข้าใจความรักของตัวและเชื่อว่าเชื่อว่าอะไร เน ล, ลาวันดีเชื่อว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรักได้ถูกต้องกิมพิลาฉันขอถามอะไรเธอสักอย่างขอให้ตอบมาจากใจจริงของเธอพี่จะตอบจากใจจริงถามมาเลยถ้าความรักของเธอเป็นอย่างความรักของท่านเธอจะทํายังไงทํายังไงเนี่ยหรอพี่ก็ลเลอิกรักคนนั้น ก็รักรกินนั่นเลยกินที่ลาหมถูกแล้วก็อะไรการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็หวังจะได้รับความรักอันเท่าเทียมกันเป็นสิ่งตอบแทนซึ่งจะนําไปสู่การร่วมชีวิตกันและมีความสุขในที่สุดเมื่อเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราตอบเขาไม่อะไรใจดีต่อเราไม่ใหความหวังใดๆต่อเราจะรักค่าเสียแรงเสียเวลาไปทำไม ความรักของเธอยังไม่ใช่รักแท้ทำไมเพราะมันยังคลุกคลาวอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความหวังตอบแทนแล้วเธอล่ะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากความรักเลยเหรอฉันไม่หวังอะไรนอกจากอย่างเดียวอะไรของเธอน่ะรัตปานีให้คนรักของฉันมีความสุขถ้าอย่างนั้นเธอจะร่ำร้างถึงเขาลงทุนด้านด้ น, ดนไปพเพราะเพราะทำไม พี่บอกหน่อยเถอะอัตตานีฉันเออบอกสิเธอลองทุนด้านานั้นไปพบก็ททำไมฉันบอกไม่ถูกเอาละเธอพูดเรื่องนี้สักทีฉันขอตัวไปพักผ่อนก่อนละฉันเพลียเต็มทีละเสียวก่อนอัตตานีเธอยังมีอะไรจะพูดอีกเหรอมีสิพี่ไม่เรื่องอยากจะพูดพี่ยังไม่มีความรักแต่ เชื่ออะไรกินพิละอย่างน้อยที่สุดความรักก็ควรจะมีประโยชน์แกตัวเราความรักควรจะมีประโยชน์กับตัวเราถูกแล้วอย่างน้อยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นความรักควรมีประโยชน์กับเราหรือคนอื่นบ้างถ้าความรักไม่มีประโยชน์ก็ควรเปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นซะ เปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นอะไรเหรอกิมพี่ละเปลี่ยนเป็นความเกลียดสิกลียดถ้าพูดใหม่อีกทีใช่กิมพี่ละเปลี่ยนจากความรักเป็นอะไรเป็นความเกลียดตรงข้ามกับความรักตลาดดีนะอาจจะได้ผลนะผลอะไร ผลจากกระทมทุกขเป็นความสุขเนี่ยจะเป็นไปได้เหรอยังไม่ทําก็ไม่รู้อยากรู้ก็ต้องลงมือทําต้องลงมือทําเธอจะทําได้ไหมให้ฉันทําล่ะถ้าเธออยากพ้นจากความทุกข์บอกเพลสิธเธอจะทําได้ไหมเยอะเพื่อไม่บอกเวลานี้แหละตอนนี้สมองฉันงุนงงไปหมดแล้วอยากจะพักผ่อนสักหน่อยเธอรัตตาในไปพักผ่อนได้เลย เมื่อหายงุงงแล้วจงคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีแล้วตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งให้เด็ดขาดลงไปเลยฉันจะพยายามตัดสินใจตัดสินใจอย่างไรแล้วบอกให้พี่รู้ด้วย ใช้ความคิดจังหนักตลอดระยะทางช่วงสุดท้ายก่อนถึงบ้านนั่งอยู่ในกองเกวียนใช้เวลาทั้งหมดในการคิดทบทวนความรักอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมจากการประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่ชาติก่อนถึงชาติปัจจุบันพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนเหตุผลก็เริ่มฉายแสนเริ่มเห็นแล้วว่า ความรักที่ได้รับเป็นความรักที่ไร้ประโยชน์อย่างกินพิลาพูดเพราะตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาความรักไม่ได้รับการตอบสนองแม้ถอยคาหวานสักคาเดียวตรงกันข้ามกลับได้รับแต่การปฏิเสธอย่างโหดร้ายทารุณทาให้ดวงใจน้อน้อยอันแสนบริสุทธิ์ต้องเจ้าช้มาตลอดเวลาภาพที่ผ่านมา ติดตามความรู้สึกไม่เลือนลางุลงพี่คะในที่สุดแม่พบญดาฟ้าดินก็ดนบรรดาเนลีลาวดีมาพบหลวงพี่อีก ลาวดีดีใจเหลือเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ลาวดีจะไม่ยาวไม่หลงพี่จากไปอีกที่าวดีจะอยู่กับหลงพี่ตลอดไปหลงพี่คะเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีทีเดียวเราต้องพลัดพรากจากกันแต่ดูหลงพี่ไม่ได้เดปลี่ยนแปงไปมากมายอะไร หลวพี่ยังดูเป็นเดวทากคนเก่าคงลิลาวดีทอย่างพอเห็นครั้งแรกลีลาวดีก็จำได้ทันทีลีลาวดีดีใจเลือเกินหุวงพี่คะทำไม่ยังดิ้นเฉยไม่พูดอะไรกับลีลาวดีสักคำดูว่าหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้ก็นี่ลยลลาวดี ดาวส ม, มังคะระคือหาบดีแห่งกรุงสาวัตถีลีลาบดีผู้รักขันยิ่งกว่าชีวิตลีลาบดีที่ได้สละบแม่ญาติี่น้องและเทหสถานออกตัวเวนหาลวงพี่จนไปพบที่พระเวรวนารามยังไงละ่ะปล่อยเท้าอาตอมาลวงพี่จะไปไหนปล่อยเท้าอาตอมา ลีลาวดีไม่ไกลลุงพี่สัมพนากับลีลาวดีบ้างสิลุงพี่ไม่เชื่ออีกแล้ววันนี้คือลีลาวดีลนงพี่ยังสงสัยอะไรอยู่อีกก็ถามาเถอะลีลาวดีจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดลุงพีจะจากลีลาวดีไปไม่ได้ในชาติใหม่นี้เราจะไม่มีวันจากกันเป็นอันขาดปล่อยข่าวอาตอมา หลวงพี่พูดได้เพียงเท่านี้เองเหรอปล่อยเท้าอาตมาเถอะกุ ม, มาริกาหลวงพี่คะถ้าหลวงพี่ยังไม่ชื่อในลาวดีวันนี้คือลาวดีจริงๆลาวดีจะพาหลวงพี่ไปที่สูจนความจริงที่กรุงพาราณสีที่กรุงสาวัตถีที่ราชสุขและทุกคนทุกแห่ง ซึ่งมีพยานหลักฐานและปลองว่านี่คือลีลาวดีเราจะเดินทางไปสาวัตีด้วยกันไปให้แม่ในชาติก่อนของลีลาวดีอธิบายให้ฟังหลวงพี่จะต้องเชื่อขรานี้บนหลงพี่นั่งลงก่อนเราจะได้สนทนากันถึงความหลังในชาติก่อนลีลาวดีจะจัดพัฒนาารมาถวายอาตมาจะไปจกไป จำคนอื่นผิดอาจจะจำสิ่งอื่นผิดการสำหรับคนรักของลิลาวดีแล้วลิลาวดีไม่มีวันจะจำผิดเป็นอันขาดถ้ามนุษย์ที่นี่ไม่สามารถเป็นพยานแก่ลิลาวดีได้เทพเจ้าเหล่าเทพยาดาทุกองก็คงยินดีเป็นพยานให้แก่ลิลาวดีหุวงพี่ขา ไม่ว่าเราจะจากกันไปเป็นวิลา ผิดอยู่คู่ใจของลีลาวดีอย่างแจ่มแจ้งตลอดเวลาลิลาวดีจะไม่ผิดหรอกไม่เฉพาะรูปร่างของหลวงพี่เท่านั้นเทียงของเดิมแม้แต่สเสียงของหลวงพี่ก็มีเปลี่ยนแปลง ของเธอเป็นอย่างความรักของฉันเธอจะทำยังไงกิมพิล่ะท่ายังไงได้เลยอพี่ก็เลอกรักเท่านั้นการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็หวังจะได้ความรักันเท่าเทียมกันไปสิ่งตอบแทนซึ่งจะนาไปสู่การร่วมชีวิตกันมีความสุขในที่สุดเมื่อเรารักเขาแล้วเขาไม่รักตอบเราเขาไม่อะไรดีต่อเราไม่ให้ความหวังใดๆต่อเรา จะรักคอยเสียแรงเสียเวลาไปทำไมความรักของเธอยังไม่ใช่รักแท้เพรามันยังคลุกคลาวอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความหวังตอบแทนฉันไม่หวังอะไรนอกจากอย่างเดียวขอให้คนรักของฉันมีความสุข้าอย่างนั้นเธจะร่ําร้อถึงเขาลงทุนด้านใดเพราะเขาทำไมอย่างน้อยที่สุดความรักก็ควรจะมีประโยชน์กับตัวเราหรือก็อื่นบ้าง ถ้าความรักไม่มีประโยชน์ก็ควรจะเปลี่ยนความรักเป็นอย่างอื่นซะเปลี่ยนเป็นอะไรกิมพี่ละเปลี่ยนเป็นความเกลียดคิดถึงความรักที่ผ่านมา ต้องนชอกชเห ม, มาตลอดเวลามันเป็นรักข้างเดียวอันไร้ไประโยชน์และความหมายใดๆทั้งสิน้นเป็นความรักด้วยอำนาจโมหะที่ไร้คุณค่าเกลียดเกลียดความรักเทวตาเป็นตัวมารได้กัดคอยหลอกล้อเล่นกับชีวิตของเราตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไป